มาดูนะครับดูข้อต่อไปนะในอุวสถทีนะครับหน้าร้อยเจ็ดสิบสองเียหน้าหนึ่งอ่ข้อสิบเก้านะครับหน้า1้อยเจ็ดสิบสองข้อสิบเก้าที่สุพูดจะให้ก่อสร้างดูดีขนาดใหญ่พึงฉาฟ้าเองหรือให้ฉาจนถึงขอบประตูวงกบหลายหลายรอบเพื่อทำให้บานประตูมั่นคง เพื่อทําให้บานหน้าต่างมนคงท น, ทนพึงยืนในที่ปัสกาชันยพืชตระกูลข้าวและถั่วสั่งการให้พ่อหลังคาสองสามชั้นถ้าว่าทิ่สุแม่ยืนในที่ปัสกาชันยพืชพึงสั่งการให้พ่อเกินกว่าสองสามชั้นนั้นต้องอาบัตปาจิตตี นี่เรามาดูนะว่าต้องอ่านแบบต ร, ตรงไหนยังไงตอนแรกจะบอกว่าพิสุพูดให้ก่อสร้างกุฏิขนาดใหญ่กุฏิขนาดใหญ่ก็หมายถึงกุฏิที่มีเจ้าพาะเพราะว่ามีเจ้าพระก็เลยสามารถที่จะสร้างแบบขนาดใหญ่ได้นะถ้าไม่มีเจ้าพระก็สร้างใหญ่ไม่ได้ใช่ ไ, ไหมเขาอาจจะเป็นดินนหรือว่าปูนนั้งแต่นะสมัยก่อนอาจจะเป็นดินนะครับ ตรขั้นตอนแรกเนี่ยยังไม่มีการปรับอาบันนะเป็นการแนะนําก่อนนะครับว่าให้ฉาบแดงตรงฝานะฉาบจนถึงขอบประตูวงกบหลายๆรอบเพราะว่าประตูมันหมุนคล่องใช่ไหมเวลาเปิดมันก็จะกระทบฝาเวลาปิดมันก็จะกระทบวงกบใช่ไหมครับแล้ดินมันก็จะคอนหม่นลงมานะท่านก็เลยฉาบหลายรอบนะครับอย่างปติไม่ยี่สิบนะ ต้องเอาไอ้ด้านนะั้นใช่ไหมครับด้านตะวันออกด้านเหนือนะเขาจะมีไอ้ด้าตัวล็อกไว้นะครับถ้าไม่มีเชือกล็องไว้นะประตูมันจะปิดเองนะครับต้องปั้นเลยจมปูนมันคอแล้วนะมันหล่นออกมานะคะนะั้นต้องไปงใหม่ผมไม่รู้เลยผมไม่ได้เอาไอ้เชือกคล้องมาจะตอกดังปั้งนะะั่นนะเป็นที่ปูนปะตูเขาตั้งครัเขาจะตั้งออกถ้าแบบงูน้างูข้าโงอกเนี้ยประตูมนจะ เ, เปิดง่ายหรือว่าปิดง่ายอ๋อครับคอยู่ที่วงกุฎนคะครับอืมครับอ๋ออันนั้นโหขนาดมันแม่เหล็กยึดไว้ไม่อยู่นะข้าต้องเชื่อคลอตัวไอ้ลูกบิดไว้ทีนะครับติดดังปั้งอะไรเนี่ยนะอันนี้มีการแนะนํำเฉยๆไม่มีาการสราะบระบอกว่าฉาบมาหลายรอบเลยเพื่อทำบานประตูให้มั่นคงเพื่อทาบานหน้าต่างให้มั่นคง แม้แต่บานหน้าต่างกมนกันตรงข้างใช่ไหมเวลาเปิดสมัยก่อนเขาเป็นหน้าหน้าต่างแค่หน้าต่างบานอะไรนะครับที่เปิดแล้วกระทบฟ้าอะไรสองบานแล้วเปิดแล้วก็กระทบฟ้าเลยอย่างกุฏิยี่สบเอดใช่ไหมคะข้างล่างนะใช่ไหมพี่วิสุทธ์ครับนะ่นนะครับครับคเพราะว่าเปิดสองข้างนี่นั่นนะครับก็ให้ฉาสมัยก่อนเป็นกุฏิดินอะไรใช่ไหมฉาตุกข้างหลังนัยรอบนะ นี่นะนี่ไม่มีการปรบับอลาบเป็นการแน่นลองเฉยเลยครับเพื่อทําบานประตูบานหน้าไ่มันโคงนะแต่น่าจะเป็นอลาบตรงนี้นะครับเกี่ยวกับการมุงหลังคาแลก็เกี่ยวกับการมุงหลังคานี่นะครับให้มุงได้อย่างมากแค่สามชั้นนะครับทำไมถ้ามุงหลายชั้นนะคือพิศุสมัยก่อนท่านเข้าใจกันว่าถ้ามุงหลา ย, ลายชั้นได้ก็จะการฝนได้ดีอย่างนี้เลยเเครับท่านก็เลยมุงมาหลายชั้นนะอืม ถ้าบอกว่าให้มุงเองได้นะสองชั้นพอชั้นที่สามสาก็้สั่งการหรือจะสั่งการทุกชั้นก็ได้นะครับที่ข้อมงนะเวลาเราจะสั่งการให้ข้อมงหลังคาเนะี่ยพึงยืนที่ปตาจาทะญพื้นนะครับเพราะว่ากุฏิวิหารของสมัยก่อนนะอาจจะอยู่ใกล้กับพวกนาพวกไร่ของโยก็ได้นะครับทีนี้คนหนึ่งมันขึ้นไปมุงหลังคาอยู่ข้างบนใช่ไหม้าก็อยู่ข้างล่างสังการ มันก็ต้องอยู่ไกลๆหน่อยที่จะเห็นเขาอยู่ข้างบนได้ใช่ไหมครับแต่บางทีอะอยู่ไกล้ๆมันไปลงไปในนาเขาเรื่องมันต้องมันหยาดนะลงไปะเนนาหเหยียบย่าเข้ากล้าอะไรข้าเสียหายนะครับถ้าไม่ได้สนใจท่าสนใจจะบงหลังคางเสียงอย่าง น, นี้อะไรข้าวใครถั่วใครไม่รู้ได้เหยียบข้าทพังหมดนะครับแล้วก็สั่งการอย่างนี้นะเขอหนีข้างบนก็มุ่ไปเนี่ยธัญพืชกุ้งพวกข้าวพวกถั่วนะครับ ถ้าว่าไปอยู่ในไอไปอยืนในที่ที่มีค่ามีถัวที่เขาปลูกไว้นี้ก็ไปเห ย, ยียบย่ำไปข้างเนี่ยอันนี้จะต้องมาบบทุกขก่นะครับท่าใครไม่อยู่ที่นั่นไปยืนที่อื่นที่ไม่ไปเห ย, ยียบย่ำพวกค่าพวกถั่วนี่นะกังกายพ่อได้สองสามอย่างมากสามชั้นนะครับถ้าสังกายเกินกว่าสามชั้นก็จะต้องแบบปาจิตตีนะครับแตเนี้ต้องไปยังจะพูดถึงนะ ท่านมุงหลายชั้นไปจนปติดตลบออกมาเลยนะครับท่านหลับทนเลย <c oughs> ที่นบานูตัณมาาัญะเหมือนกันพระชนะตันนะเรื่องพระฉันนะโดยสมัยนั้นพุทธคุณพระพุทธเจ้าประทําอยู่หน้าโคสีตาราเห็นพระนครโคสัมพีครั้งนั้นมหาอัมมาอุปถาของท่านพระฉันนะสร้างวิหารถวายท่านพระฉันนะ แต่ท่านพระชนะสั่งให้มุงให้โบกชามิหารที่ทําเสร็จแล้วบ่อยครั้งท่านนี้เขาสร้างวัดตีน่าเรียบร้อยแล้วนะถ้ายังไปมุงไปโบกอีกหลายครั้งเลยเขาเนี่ยวิหารหนักเกินไปได้ทลายลงมานะครับโอ้ขณะนี้เลยนะจึงท่านพระชนะมัวสารวงเก็บรวบรวมหญ้าและไม้ได้ทำนาเข้าเหนียวของพามคนหนึ่งให้เสียหายท่านก็ไม่ได้สนใจลไปเหยียบไปยับแล้วเขานะ มวนจะเก็บของตัวอยู่เดียวในการนาเข้าเสียหายไปเลยนะครับพรามนั้นจึงเพ่งเข้าดิเตรีมปุตนาว่าฉนัยที่คุณเจ้าทั้งหลายจึงได้ทํานาเข้าเหนียวของข้าพเจ้าใเสียหายพิสุทั้งหลายได้ยินพรามนั้นเพ่งเข้าดิเตรีมปุตนาอยู่บรรดาที่เป็นผู้มากน้อยสันโดษแต่ก็เพ่งเข้าดิเตรีมปุตนาว่าฉนัยพระชนะจึงได้ให้มงให้หมกชาวิหารที่ทําเสร็จแล้วบ่อยครั้งเล่าวิหารหนักเกินไปนักลายลงมา แะอกาศคือเนื้อคัานแดดมาภาคใต้นะครับแล้วพวกปลูกข้าวปลูกถั่วนี่ก็ลํา บ, บากเหมือนกันนะะแล้วขอเสียหายนะครับยิ่งสมัยก่อนไม่ได้เจริญเหมือนสมัยนี้นะมันไม่มีเหมืองน้ํามันไม่มีเหมือนน้ําแล้วก็ไม่มีเครือไม่มีอะไรเมืนสมัยนี้ใช่ไหมครับมาที่ข้าวใส่น้ําฝนอย่างเดียวนะปีไหนฝนแรงนะครับน้ำหลากมากเนี่ยปลูกถั่วปลูกข้าวไว้ไปเรียงครับ <c oughs> ปีไหนฝนแรงนะ ถ้ากําลังจะไปตั้งคันตั้งท้องใช่ไหมฝนไม่ตกนะครับตายคานอะไรนะครับโอ้ราบาดะไรนะมามาที่ที่ยังไปนะบางที่เนะอย่างเช่นที่ร้อยเอ็ดผมไปนะครับเป็นนานที่เขาเอาศัยนะ้ำฝนอย่างเดียวราบาดเหมือนกันนะครับถ้าบางที่เขามีหนอยใหญ่ใหญ่ใช่ไหมหรือว่ามีฝา้ายมีเขือนมือแม่ น, น้ำแล้วก็สะดวกเลยนะทําเหมือนมาที่นั่นะครับอันนี้ถ้าเมื่อราบากเลย อันนี้นะักการเป็นทุก ค, ครับบางคนบอกว่าโอ้ยเนี่ยไปอยู่บ้านนอกข้องนาเนี่ยปลูกอะไรนะอ่าปลูกสวนปลูกอะไรอยู่สบายแล้วใช่ไหมครับมันไม่แน่นักบาทีโดนขโมยครับยังโดนขโมยนะขนาดลำไยยังขโมยมาเลยเข้ามาขึนคืนแล้วก็ขนขึ้นรถไป <c oughs> <c oughs> อ่าขโมยข้างนะครับ <c oughs> คืนที่หนึ่งนะไม่มีใครรู้ใช่ไหมขอมนไปนะครับมันใครอยู่ทีหนึ่งนะเข้าไปขโมยขโมยของในหน้าสับพล็อนะคะทีนี้เจ้าของก็ว่าเฝ้าไล่อยู่เจ้าของก็ดันเฝ้าไล่นะเขาก็อะไรทำยังไงเขามีปืนเขาก็มีปืปนะก็จี้เจ้าของอะไรอย่างไร น, นะครับให้ไปตะะัดแล้วก็ขน ข, ขึ้นร้อนนะเพราะนี่ก็ขอมนมทั้งคนะืนกลัวตาถ้าไม่ไปเฝ้าก็ดีแล้วนี่ดันไปเฝ้าเนื้อก็เหนื่อยเนเสียของไปนะครับ พอขนพวกนั้นเข้าเสร็จก็ขับแล้วหนีไปแน่นะครับตัวเองก็ทำอะไรไม่ได้นะเหนื่อยนะครับถ้าเราบางแล้วมาถูกการเนี่ยโอ้ยมีโทษต่งนั้นนะครับโดนบาดเลอนนั้นที่มีเราขายใหม่หนนอันนี้นะครับพระฤๅอี ก, อก็ซองสอบถท้าซองติเดเตียนแล้วก็บริสัทฐานแบบนี้ขึ้นมา น, มนี่พูดมาฟังว่าอยู่ในเรื่องเดียวกันนะ <c oughs> จริงว่าถูกการมันมีโทษใช่ไหม อย่างเช่นไปพลาดไปในดีแล้วไม่ค่อยมีอะไระไม่ต้องกลัวโดนต้ น, นะะแต่ว่าบางที่ที่พลาดมีเงินงมีทองก็ยังโดนต้นน ะ, ะไม่ไดการถูกฆ่าก็มีนะครับมแล้วข้อที่๙อธิบายมหัศา ก, การวิหาริกขาบทในสิกขาบทที่๙มีอธิบายดังต่อไปนี้คาว่าวิหารใหญ่ได้แก่วิหารที่มีเจ้าภาพสร้างให้ คำวา่าวิหารนี่หมายถึงที่อยู่นะครับกุฏิที่อยู่นะเส้นบ่งฉาบทั้งข้างนอกทั้งข้างในนย่คืกูติอย่างนี้นะครับที่บ่งฉางข้างนอกข้างในเลยในคําว่ายาวัฒวรโกสนี้ชื่อว่ายวรโกศะได้แก่สถานที่สองสองครึ่งรอบแห่งบานประตูคือเกอบประตูลอบเกาะประตูแล้วสถานที่สองสองคงือก็ตรงฝาใช่ไหม ฝาสองข้างของวงกลมนะครับตรง น, นั้นแหละที่ท่านให้ฉานะคําว่าอัคคระถาปนายะนะครับมีความว่า เ, เพื่อจะติดวงกลมพร้อมทั้งบานประตูนะครับทวารโกศใบีบานประตูน ะ, ะเพื่อจะติตวงกลมพร้อมนั้นบานประตูเพื่อต้องการความไม่เคลื่อนที่ก็บานประตูหมุนเข้อย่องกระทบฝาในเวลาเปิด ย่อกระทบกรอบประตูในเวลาปิดนะครับฝ้าย่อมกระเทือนด้วยการกระทบนั้นเพราะฝากระเทือนนั้นดินยออ่อมคลอนอันนี้กูตีดินจริงนะครับเนี่ยดินย่อคลอนะคั้นคลอแล้วย่อหย่อนเหยียดลงเพราะเห็นนั้นพุทธาจ้าจึงต่างว่ายาวัฒวะโกษาคาถานายะตรง น, นี้หน่อยแปลไม่เหมือนกันนะของจากสุนคลกับของในเนี่ย ในพรมวได้ปิดก็แตกแบบนึงนะครับเขาบอกว่าอันหนึ่งที่สู่พูดให้ทําซึ่งมีหารใหญ่จะาวางเช่นหน้าเช่นหน้านั่นคืออะไรคือบานประตูใช่ไหมครับก็จะวางเช่นหน้าผมก็จะาบานประตูเนี่ยจะวางเช่นหน้าเพียงไรแต่เกาะประ ต, ตูนะคบจะบริกรรมช่องหน้าตาตอนนี้ไม่ได้มีการพูดถึงอะไรนะพูดถึงฉามเลยนยครับ ผู้หญิงจะวางเช้นหน้าหน้ า, าประตูนะนะครับไปถึงกบประตูนะจะบริกรรมช่องหน้าตานะครับอันนี้นะที่ที่สามนะที่เดี็กจะมีกัน <c oughs> ต่อไปนะครับเอ่อดังนี้บณัณฑิพิงเห็นใจความในคำนั้นอย่างนี้ว่าคุณพระเจ้ า, ามิได้ตัดไวในมาติกาไมนได้ตัดไวในบทพาชณีเลยว่ากิจชื่อนี้ควรจะทํา คืกียการฉาตอนนะไรนั้นไม่ได้ต่างไปนะครับแม้ก็จริงถึงตอนนั้นเพื่อจะติดวงกบพร้อมทั้งประตูนะพิสูจนพึงฉาบเองหรือพึงให้ฉาบบ่อยๆโดยค้อยตามเหตุเกิดของต้นบัญญัตินะครับประตูเอฟฟาข้างประตูแล้วก็ฉาบ ม, มีปัญหานะฉาบไปเลยนะคหลายรอบว่าพิสูจให้ฉาบบ่อยๆให้บกบ่อยๆดังนี้ในคําว่าอาอกาสันธิปปริกรรมมายะ บริกรรมช่องหน้าต่างนี้ชาล็อกเรียกบานหน้าต่างว่าอารมกาสันที่แปลว่าอะไรครับอารมการก็แสงสว่างสันที่ก็ที่ตอที่ตองแสงสว่างนะครับคงช่องที่แสงสว่างมันเข้านะอารมการสันที่ก็ได้แก่หน้าต่างนะครับในคํานี้มีอธิบายดังนี้ว่าบานหน้าต่างเหล่านั้นในเวลาเปิดจะกระทบฝาผนังประมาณคืบหนึ่ง มันก็แล้แต่มานหน้าตาใหญ่หรือว่าเล็กใช่ไหมเนี่ยแต่ยิ่งมากเขาก็ทำไม่เยอะในการหนึ่มาคืนหนึ่งะจะกระทบฝานะครับบ้าเกินกว่าบ้านนะนะจับมานหน้าตาก็ในคาว่าโอากาสสังที่นี้ย่อมไม่บริเวณในทิศทั้องปูใช่ครับเพราะเห็นนั้นพิสูุนพึงฉาบเองหรือพิ่งให้ฉาบมานหน้าตารอบๆได้เฉพาะส่วนกว้างเพื่อการติดมานหน้าตา บานหน้าตานเนี่ยมันมีฝาอยู่รอบใช่ไหมนะครับเวลาฉากใช้เพราะสองหน้านเนี่ยอธิบายมันจะมากระทบนะครับฝาเพื่อสองหน้าข้างบองข้างล่างก็ไม่เกี่ยวใช่ไหมมันไม่มีผลกันใช่ไหมครับฉากเพื่อสองข้าง น, นี้นะฮะและ้วก็พุ่งเพืพ้าเจ้าขั้นสองแสดงธรรมที่ครั้งสองสแดงททงสแดงกรรมที่ต้องทําในการฉากอย่างนี้แล้วนะครับอที่นี้นะครับ ทรงประสงค์แสดงกรรมที่พิสูจน์พึงทําบนหลังคาอีกจึงต่างว่าทวัตติจัตุนัสสะเป็นต้นพึงสร้าบวิธีฉัยในคํานั้นดังนี้คำว่าทวัตติจัตุนัสส์ปริยาอย่างคือการพ่อหลังคาได้สองสามชั้นพอ่อรู้วมุมนะการพ่อเรียว่าปริยายนะหรือเป็ว่ามุมก็ได้อธิบายว่าพึงบอกให้พ่อได้สองครั้งหรือสาครั้ง จะท่านจะอธิบายเกี่ยวกับารมุงว่ามุงแบบไหนเนี่ยสองบทว่าอัปนาริเตตเตนะ่าคือยืนอยู่ในที่ไม่มีพืชสีเขียวในความมหาริตังนะครับของสดเขียวเนี่ยนะนี้ทรงประสงค์อบุพานาติคือข้าวเจ็ดชนิดถูกต้องบุพานาติวันนั้นนะกาปราตินะครับของผู้ให้ชัดเจนนะที่ชื่อว่าบุพานชาติราะว่าเกิดก่อนนะครับไม่ไกิใช่ได้กินก่อนนะ ไปดูมาแล้วนะครับไม่ใช่กินก่อนอยเยมก็เลยเสียไงมึงกำลังกินอย่างอื่มันได้กินข้าวแบบก็นานใช่ไหมอุปภนาติคือสมัยต้นกรรมนะครับพทุทธญชาติเป็นอย่างมันเกิดก่อนเคลเรียพทุทธัญชาตินิวาบุภนาชาส่วนพวทผูกพว่งงาน ม, มันเกิดทีหลังเขาเลเรียกว่าอัปปัลนาตินะครับเพราะปลูกภาพเรียว่าก่อนใช่ไหมอัปปาราเขแปลว่าหลังนะครับอื่านี้เออข้าวพุทธัญชอพืช เจ็ดชนิดนะเป็นต้นและอัลปาราชามีถั่วเขียวถั่วเลืองงาถั่วน้ำเต้ า, าถั่วคูน้ำเต้าและปักเขียวเป็นต้นนะครับนะพืชใดที่เขาหวานไว้ในนาตอนแรกยังไม่งอกนะครับหรือเมื่อฝนตกแล้วจงึจงจะงอกถึงพวชนี้ก็ถึงการนับว่าเป็นของสดเขียวเหมือนกั น, นะครับเพราะเขาหวานมันยงนน เป็นปีชะมันโดนฝนแล้วจะงอขึ้นมาได้ใช่ไหมครับคิดว่าของสเกิลทั้งนั้นนะเพราะว่าไปเห ย, ยียบไปย่ำเขาก็จะเสียหายเหมือนกันทะครบวันนี้เพราะฉะนั้นพิสุยืนจัดแจงอยู่แม้ในนาเห็นเช่นนั้นต้องบรรทุกกฎลงไปยืนจัดแจงในนาเขาเลยนะนะั่นแหะต้องทุกกฎนะครับแม้สําหรับพิสุยืนจัด ก, การอยู่ในที่ปัะชากของสดแม้นั้นไม่ได้อยู่ในนั้นแล้วนะมีกําหนดดังต่อไปนี้คือ คนที่นั่งอยู่ข้าง อ, อกไก่ก็ดี <c oughs> ไก่ตรงไหน อ, อกไก่ตรงกลางใช่ไหมครับตรงกลางใช่ไหมแค่้า่ อ, อกไก่ข้างบนครับข้างบนนะตรงกลางมั น, มนจะนเป็นอย่างนี้นขึ้นใช่ไหมครับ อ, อตรงกลา ง, าง อ, อกไก่คือเป็นไม้หรือว่าเป็นกระเบืเ้องหรือว่าอะไรตรงกลางเนี่ยเรียกว่า อ, อกไก่ถ้ามุงแล้วเขาเรียก อ, อกไก่ใช่ไหมครับนั่งตรงนั้นนะ อกไก่เนี้ยคตรงกลางเลยคื อ, คอมันจะนนนแล้วก็หนั่งที่อกไก่ก็ดีชอบฟ้าของเรียนยอดก็ดีไอตรงมุมใช่ไหมชอบฟ้านะครับ น, นี่แล้วก็ยอดโดมข้า ง, งบนก็ดีก็เป็นบ้านอินเดียสมัยก่อนเห็นไหมมันจะเป็นโดมใช่ไหมเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับแต <c oughs> ่ว่าอยู่เป็นยอดโดมเนั่นนะมองไปทางขอบชายหลังคา น, นะครับ ก็มองลงมาของพระเนี้ยนะเอะอยู่บนที่ใดจึงจะมองเห็นพิสุได้แลกพิสุยืนอยู่ในภูมิภาคใดสามารถเห็นคนนั้นผู้นั่งอยู่ข้างบนไดน้นะครับ <c oughs> พิสุเพิพ่งยืนในภูมิภาคนั้นนะครับก็อยู่ที่นั่นนะที่มองเห็นคนที่อยู่บนอกไก่ตรงยอดฟ้าในยอดโยมหน้ในาให <c oughs> ้สุดแล้วครับแล้วพอมาสูงสุดแรกใช่ไหมครับนั้น <c oughs> รัยืนข้างล่างเลยนที่มองเห็นครับ ก็ไปยู่ตรงนั้นแหละคอยสังการและย่อมไม่ได้เพื่อจะยืนจัด ก, การไม่ในที่แม้เป็นที่ประ จ, จักษ์ของสนเกวภายในเหตุภูมิภาคนั้นเข้ามาทางกุฏินะครับเพราะว่าภูมิภาคนี้เป็นโอกาสที่จะพังลงมาแห่งมีหาอย่าเข้ามาใกล้อีกนะไม่ได้แล้วนะครับอยู่ตรงที่คนข้างบนมองลงมาเห็นเราเราเห็นข้างบนแหละแทกเข้ามาใกล้ๆนะสังการใช่ไหมอย่างนี้ไม่ได้อันตรายครับ กมุมพังมาเท่าเราตายเท่าคนสังการตา น, นะครับนี่นะควาว่าตะโตเจอุตต์รินะครับคือถ้ายงยิ่งกว่านั้นนะคำ ว, ว่าเมื่อจะมุมเป็นแถวเขาว่ามุมเป็นแถวร ะ, ะบอกเกี่ยวกับการใช้กับเมื้องนะใช้กับเบื้องใช้ศีลาใช้ปูนขามุมนะครับจะมุมเป็นแถวมุมกินสามแถวนะครัด้วยก้อนอิดสีลาปูนขาต้องมาไปตี มุมเป็นแถวนี่ยังไงครับมันก็ที่มุมต่างธรรมดานียใช่ไหมเป็นนั่งเป็นที่มุมธรรมดาเปครับครับเป็นแถวเป็นแถเป็นแถวไปนะครับและเกินสามแถวยงไงมันต้องเกินอยู่แล้วใน่หรอเมื่อมคุมไม่หมดไม่ไม่หนาพอข้อมุมซอใช่ไหมครับมุอมซออีกเนสองชั้นสามชั้นนะแต่ก็เป็นแถวเป็นแถวไปอย่างนั้นแหละใช่หมครับนี่นะครับเกินสามชั้นเนี่ยต้องมาปตี ตามจนอิฐศิลาและก้อนปูนขาวมีกี่ก้อนเราหนับอาบานไปตามนั้นนะครับเมื่อจะมุงเป็นชั้นทำมุงเป็นชั้นๆล่ะมุงเกินสามชั้นนะครับด้วยก้อนอิฐศิลาปูนขาวต้องแบบปลายตีตีนะครับอันนี้ชั้นในความจริงในในในตากฐานพูดถึงการมุงด้วยหญ้านะการมุงด้วยหญาหรือใบไม้นะครับการมุงเป็นชั้นๆ น, นะหมายในการใช้ยากหรือใบไม้หมนึ่ง เนี่ยท่านพูดถึงด้วยการพอกเป็นชั้นๆการมุงเป็นชั้นๆนะการมุงอย่างนี้ย่อมได้ด้วยยากได้ใมไม้มันมุมเหมือนกันมไมครับอลังค่ามุงจ่าหรือมุงแฝงมันก็เป็นแถมือกับมุงเรียงกันไปครับแต่บางที่เขาก็จะมุมมุงหหลายๆชั้นเพื่อบางทีเขาจะเอาใบตัดนี่ยเอาวางข้างบนทีมมันก็จะมองเรีย เป็นชั้นขึ้นมานั่นที่เอามุงแบบนี่นะครับเห็นหมที่เขาใช้ก้อนอิอ่ะต่ละก้อนแต่ก้อนเรียงเข้าไปเลยทาได้ใช่ไหมครับก็เหมือนเตาอ๋อเหมือนเตาเหมือนเตาครับอืกตนมันก็เหลืองกันเหล่อกันซ้อนกันใช่ไหมครับขึ้นก้นขึ้นก้อนขึ้นก้อนนกนเลยได้แต่ครับแต่ความหนาครับอย่างนี้มันได้เป็นชั้นใช่ไหมอย่างนั้ ค<ะ>รับใช่ครับมึได้มองไม่กดเลยเคยเค ย, เคยบ้านเราอน้ครับเ่มาครับนะจนมิดเลยจนะมิดเลนิดจอครับอันนี้นะครับก็ต้องแบบปลายตีตามจำนวนของจิลาเป็นต้นเหมือนกันเมื่อต้องการจะใช้หญ้าและใบไม้มงครับต้องบัปลายจิตีตามจำนวนใบไม้ใบสั์ใช่ไหม เขาจะนิยมใบไม้ใบใหญ่ใช่หมครับใบตัดองวงใบตองอะต้องือใบไม้ยากะอัยากหาและจาตามจำนวนคำยากเป็นคำคกี่คำถ้าเป็นใบไม้กับยาหาไหนจะงงสะดวกใบไม้น่าจะหาง่ายกว่านะเพราะ้าหาเนี่ยมันหญ้า้เาได้ขี้เาได้แล้วก็ใได้ขาได้าใบไม้ก็ ใาไก็จะขี้ไปขี้ไปอย่างเดียวครับแต่ถ้าเข้ามุงนะจากมึงนะ่เขาะแยกออกทับทิมทับทเรื่การตอเยกองดีนะงดครับเหตุการณ์ประเภทอาบัสคาบนี้ข้อมูลพระเจ้าทรงฟ้องพระจันทรําเมืองโกสัมพีทรงมายันไว้พ้อเหตุคือใกล้คนมุงหลังคาแล้ชักฟ้าผนังซ้าๆจนพังทลายลงเรา เป็ น, นเป็นศาสตร์ทางหน้าบัญญัติพิสุนี้ก็มีนะครับอันนั้นติกรรไม่เกี่ยวการใช้หมายความว่าเราใช้คนอื่นให้เขาเ้าไปมุงหลังคาเข้าเองนะเราก็ไม่ต้องอาบัตดแต่ได้ใช้มูงหลังคาเราเหมอนโดน <c oughs> ใช้เข้าไปทํำติครรมทําทแล้วเข้าเองก็ไม่เกี่ยวกับเรานะติกรรไปตีทางมุงเกินนะเกินแล้วสองสามช้างแล้ว น, นะครับเข้าใจสงสัยแต่คนผิดถ้าว่าเกินอะ่ะ ก็ต้องบท้งนั้นนะพ่องย้อนมาสองสามชั้นนะไม่ยังไม่ถึงสามชั้นเลย๋ต่ต้าเข้าใจผิดว่าเกินนะหรือมีความสงสัยก็ยังมุงนะอันนี้ต้องบัดทุกตกนะครับมุงเดิมไม่รู้ว่ากี่ชั้นน่าถักใึงงงละอนาบัตดที่สุดไม่ป้าบัดเมื่อทำการฉาบทาด้วยปูนขาวเป็นต้นมุงเพียงสองสามชั้นอืมนะครับ อปูนขาวต้องอีสิสระกับเบื้องนะแค่สองสามชั้นไม่เกินี้นะครับสองครับมุงน้อยกว่าสองสามชั้นได้มุงเงื่อนเขาวไปมุงเลยไม่ต้องกลัวหรอกเนะี่ยถ้ำมุงถ้ำนะครับและกุฎิยาเป็นต้นใครเป็นคนมุงถ้ำไหมครับพอาะถ้ำบางที่เนะี่ยไอตรงข้างบนมันไม่มิดหมดใช่ไหขคาดจะต้องมาอะไรมุงไว้กันของเข้านี่นะครับ มันมีนักธรบางที่นะครับแล้วก็แรกกุฏิยากเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรเอ่งให้พิสุอื่นได้นะครับอันนี้เป็นสมบัติของกุฏิเรานะในมงกุฏิข้างป็นร <c oughs> มงด้วยสมบัติของตนนะครับเอาของตัเองนะฮะเอากับปิยพันธ์ไปแล้เอาหลังคาเอาอะไรมามุงเองเป็นไรเมื <c oughs> ่อาคารที่พักเกิดตอนมุงอาคารที่เหลือ <c oughs> ไปมงหอฉันมูโบดมูศาลาอะไรเนี้ยที่ไม่กกติเราเนะก็ไม่เป็นไรนะครับเกิดก็ไม่เป็นไรนั่นแหละที่สูบ่บ้านเป็นตนก็ไม่ต้องอาบาัตสิคราบวนี้องค์สามเหล่านี้คือหนึ่งเป็นที่อยู่ที่ไม่มีเจ้าภาพสากที่มีนะเขาว่าไม่ขีดทิ้นะครับเป็นที่อยู่ที่มีเจ้าภาพสร้างให้พราะะี้ท่านอาจารย์ถามว่าความเป็นวิหารใหญ่วิหารสติหลังใหญ่ก็หมายความว่าที่มีเจ้าภาพสร้างให้นะครับ สองเป็นที่อยู่สําหรับตนเองกุฏิส่วนตัวของเรานะครับสามมุมหรือว่าพ่อเกินกว่าที่กําหนดไว้เมือ่อคพบองศ า, าก็าต้องไปตีในสิขาบท น, นี้นะครับอสนะ่สมุทฐานนะสมุทฐานเป็นต้นมีในดำไม่ต่างมาแล้วในสัญญิตาสิขาบท น, นั่นทีนครับสมุทฐานอะนะครับในสัญญิตาข้อช่างสี่นะสมุทฐานหกเลยนะครับ หมดเลยนะตายก็มุงเองใช่ไหมวาจาก็สั่งมีสั่งด้วยกายก็ได้นะกายวาจาก็ทั้งมุงเองทั้งสั่งหรือว่าสั่งอหได้วยกายวาจาก็ได้นะครับไม่รู้ว่าเกินนะก็คือไม่มีจิตถ้ามีจิตรู้ทังรู้แล้วก็ตั้งใจงนะครับแล้วก็ตาบแบบทั้งนั้นนะทั้งอย่างอะไรนะครับจบ ก, การอธิบายมหันตากาวิหาสิกขาบทนะครับคำว่าสั่งเปลี่ยนเป็นมหันตกะนะ เรามาหันร่างกายมิหาสักคราหน so